พระบัญญัติรก็ภิกษุณีได้ยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันสองต่อสองกับชายในที่แจ้งต้องอาบาัตปาจิตตีเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระพัฒกาปิลานีจบ